ในเวลาเริ่มการประลองระหว่างสองเจ้าชายคือเจ้าชายเทวทัตและเจ้าชายสิทธัตถนาะบดีไหนล่ะเจ้าชายสิทธัตถ์จากกรุงกบิลพัฒน์ะนะท่าทีจะเจ้าชายเทวทัตกรุงเทวทัตห้เมืองเราหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถ์จะบังเกิดความขาดจนไม่กล้ามาประลอง ถ้าอย่างนั้นต้องนับว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยจะเอาอย่างไรดีล่ะอภิตฐรถ้ามีมีการต่อสู้หรือผู้ประลองก็จะไม่มีผู้พี่ชัยชนะและปราชัยแล้วแต่พระทัยของสเสด็จพี่เธอไปคะแต่โดยกติกาแล้วผู้อยู่ในสนามประลองต้องมีชัยในการแข่งขันแต่ ลุงไม่มีวันสยิบพรกับเสด็จพี่เทวทัตอย่างเด็ดขาด น, นะพี่คะนี่เป็นการมีใช้ชนะโดยยุติธรรมนะพิมพาหากเทวทัแตแก้วก ล, กล้ากว่าใช้ที่เจ้าพึงใจเขาก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ควรจะได้เจ้าชายศิทธาของม่อมฉันพระองค์ไปอยู่ที่ไหนจะปล่อยให้หม่อมฉันต้องตกนรกหมกไม้ไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่หรือเพคะ จะไม่เสด็จไปที่ลาปะเราจริงๆหรือพระเจ้าค่ะเรากำลังคิดอยู่นะฉันนะแต่หม่อมฉันว่ากว่าจะทรงคิดได้ก็อาจจะสายเกินไปหม่อมฉันได้สติปัญญาไม่อาจบอกว่าความคิดของเจ้าชายจะถูกหรือผิดแค่ไหนแต่มั่นใจว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปชาวเมืองเทวานหาหะทั้งหลายก็คงจะเยอะใยไพยพวกเขามีติดที่จะคิดเช่นนั้นเราไม่สนใจเจ้าชายเทวทัตจะยิ่งลำพองใจ คิดว่าเจ้าพี่สู้เขาไม่ได้นะพระเจ้าค่ะเจ้าชายเทวทัตจะคิดอะไรก็ได้ทุกอย่างพี่รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีอนุรุษแล้วเจ้าหญิงยโสธราพิมพาราพรเจ้าข่ะจะทรงเสียหน้าและเสียพระไทยสักเพียงไหนที่ชายที่ทรงตัดสินพระไทยเลือกเป็นคู่อย่างเจ้าพี่ไม่มีความมีดีในตัวนางคิดอย่างนั้นหรืออนอนทุกคนก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วพระเจ้าค่ะ ยโสธราพิมพานางผู้มีลักษณะอันงามพร้อมถ้าพี่ทำให้น้องระทมตรมตรแล้วจะเป็นอย่างไรเจ้าจะดำรงชีพต่อไปได้หรือไม่นะ ตื่นอแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อมอมชันขอชยชุประกราศผลการประองเดี๋ยวนี้เลยได้เดี๋ยววัทัดเมื่อกู่พ ร, รองของเจ้าไม่มาข้าสุปปะพุท ธ, ธจึงขอตัดสินว่าเจ้ า, าชายเสด็จพี่เสด็จมาช่วยชุบ ช, ชีวิตของพิมพาแล้ว มาจนได้นะสิธนธรใคร่าท่านจะไม่กล้าเชิญท่านที่เป็นเสมือนเจ้าของบ้านเสนอการประลองมาเข้าพเจ้ายินดีรับคำท้าของท่าน เริ่มการขี่ม้าแข่งกันกนได้เรามาสลับม้าขี่กันดูสิบา่าใครจะนั่งได้นกักกว่าใครแต่บอกให้รู้ก่อนนะสิทธาว่าม้าของข้าจะเป็นมา้าผยศคนอื่นมานั่งมันจะสลัดให้ตุงทันทีน ไ, ไม่เป็นไรเทวทัตม้ากันตกะของข้าพระเจ้าก็มีนิสัยเช่นนี้ เจ้าชายสุรพัชรเด็ด ล, ลงจากหลังม้าชาสีขาวที่ทรงมา้าแล้วเจ้าชายเทวทัตก็จะเด็จลงจากหลังม้าสีดำของพระองค์งกระโดดโลดขึ้นหลังม้าสีขาวแต่ละอุจใจเดียวเท่านั้นม้าขาวมาเห็นโผกระจนอกหน้าหลังบัดเขาเจ้าชายกับมาล้ม ล, ล, ล, ลงกับพื้นสนามแก้จุดความส ง, งา่า ทรงรูปหน้าผากม้าดำปีนไปเบาๆกับมา้าก่อนจะเสด็จขึ้นขี่หลังอาชาสีดำรูปร่างสูงใหญ่หลัตัเชื่องเหมือนกับลูกม้าเยาวไวัยไปได้ยอมให้เจ้าชายทรงแต่โดยดี นีมาของข้าอารมบีเป็นพิเศษนะงั้นมาบป็งความแม่นยำของธนูกันดีกว่าทศ น, น้ำธนูแล้วลูกศรมาพระเจ้าค่ะนันดาหานำธนูมาถวายแล้วเสด็จพี่เทวทัตก็เอาลูกศรขึ้นผาสายแล้วง้างยิงขึ้นไปในอากาศโดยแท่ไม่ต้องเสียงเวลาเล่งโอลูกศรพุ่งขึ้นเป็นปากคอนกะ ที่กำลังบินบนฟ้าตกลงมาสิ้นใจทันทีเราดูบังซ์เซ่สิทธิรรมมีความสามารถทำอย่งางข้านได้ไหมะขอภัยเทวทัต ข้าพเจ้าทําอย่างท่านไม่ได้เม่ทุกคนยินไม้มเจ้าชายสิท ธ, ธาเสนาพ่อเรียว่ายอมแพ้ราะชัยแก่ข้าเทววชัดซึ่งเป็นผู้มีชัยสเสด็จพี่สิทธา ธนูเป็นสาตราของราชาเจ้ายิงธนูไม่เป็นหรือสิท ธ, ธัตถะหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเสด็จอาที่ห ม, ม่อมฉันกล่าวกับท่านเทวทัตว่ากระทําตามไม่ได้นั้นหมายถึงห ม, ม่อมฉันไม่ประสงค์จะยิงเป้าที่มีชีวิตพระเจ้าค่ะฉั้นก็น่าใจเขาลองยิงเป้าที่ไม่มีชีวิตนะไปคะเสด็จพี่เจ้าจะยิงอะไรดีล่ะหลานชายพอให้มีรับสั่งทหารนําขนหางของจามรีไปไว้ที่ริมสนามด้านนั้น หม่อมฉันจะยิงให้โดนเป้าพระเจ้าค่ะที่แท้เจ้าชายทรงมีพระเมตตาพิค้าเสด็จแม่แต่คนหางจามรีก็เป็นเป้าที่เล็กเกินไปไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยิงให้ต้องเลยนะพิมพานั่นเสด็จพี่สิท ธ, ธัตถะทรงยกคันธนูขึ้นมา ง, างแล้วยิงออกไปไกลจนมองจากตรงนี้ไม่เห็น แต่ชามืองโกร้องเป็นใ่ญ ต่างยิงถูกเป้าจึงถือว่ารอบนี้เสมอกันและเหลือการแข่งขันด้วยพระแสงดาบพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะไม่ทำร้ายใครจึงไม่อาจประลองด้วยดาบได้ ทารู้อยู่แล้วว่าท่านตัวเป็นชายใจหญิงไม่กล้าฝาดฟันใส่เลือดเนื้อจริงๆของกรสุศัตว์ได้งั้นข้าขอท้าให้ฟันใส่ต้นไม้ใหญ่นั้นท่านจะกล้าฝัดไหมล่ะจะกล้าไหมอะอ ที่แท้มานั่งอยู่ในเองหรือชนนะขคานึกว่าจะออกไปที่ลานประลองเพื่อชมฝีมือของเจ้าพี่หม่อมฉันรู้สึกใจไม่ค่อยดีเกรงว่าเจ้าชายถึงรัศนาของหม่อมฉันจะทรงถอดพระไทยและยอมแพ้ง่ายๆเลยไม่กล้าออกไปดูพระเจ้าค่ะฉันนะคิดเหมือนใจข้าพรเจ้าเลยอนุนตกลงเลยไม่มีใครไปเป็นกําลังใจให้เจ้าพี่สิทธาถาสักคนเลยนะอนุรุตเออแล้วการรุทัยล่ะ ท่านการุไทยสนใจแต่เรื่องออกไปคนหาดูลีงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะช่างวระเตยช น, นะชักจะเป็นห่วงซะแล้วสิว่าป่านี้เจ้าพี่จะเป็นประการทุกคนจงตั้งใจดูดาวก็นให้ดีจะป้นอนต้นไม้ใหญ่นี่ไห้เห็นความคามเห็นประแสงดาวของข้าเดี๋ยวนี้ฮึ Life life que, ED, เทวทัตชักดาบของเขาบันขวางลงกลางต้นไม้ใหญ่คมดาบจมลงกึ่งกลางลำต้นพอดีนันสิแล้วเจ้าชายศิษย์กระดากระดาษของโลกจะชงเทียดได้อย่างไรกันแต่นั่นเสด็จพี่สิทธัตถะทรงชักพระแสงดาบออกมาแล้วตวัดฟาดออกไป แย่แล้วเหมือนจะทรงฟันผิดเพราะต้นไม้ไม่สั่นไหวหรือขยับไปเยื่อเลยรู้วาดาบของท่านจะหักหรือบินหรือไงสิทธาถึงได้ฝันไม่โดนต้นไม้อะไรก็นเนี่ยอยู่นี่ดิก็มีลวงพัดนธเราแล้วพรใหญ่ทังสองต้กลงหน้าเจ้าสิทธาถกขาดล้างโลกที่หลวงพันธ์นี้เออ ที่แท้สุดทธทายควนพลาดต้นไม้ใหญ่ขาดกลางถึงสองต้นโดยไม่มีเสียงเลยเหลือนี่ใช่เราไปคาเสดหน้าทรงมีพละดกำลังจบเป็นยอบดบูรุษแท้ลูกแม่ช่างตาแหลมเลือกคู่ครองเป็นที่ต้องใจแม่จริงๆจะทรงประกาศชัยได้เลยยังไพคาเสดพี่ ยังมีการประลองอื่นใดอีกหรือไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ข้าขอประกาศว่าไม่มีการแพ้ชนะในการประลองนี้เสด็จพ่อ รอบนี้ไม่ใช่การแข่งขันที่มุ่งจะเอาแพ้หรือเอาชนะกันแต่เพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะแห่งวงสากยะเหมาะสมกับยโสธราพิมพ์พาผู้เป็นธิดาแห่งข้าสุปปัคุถะหรือไม่ข้าจะเตรียมพิธีอุปภิเสกสยุมพรยกธิดาของข้าให้เจ้าชายสิทธัตถะ 海上万里。 ทมานมาฆ่ารื่ออะน่ยศสถาบนอะรเจ้ก็เออเออเออเฮียบวัทันเมียใจด้อยกว่ามัที่ตรงไหนมันน่าจะจอบฮะนิ่เรามาจับนะฮะเจ้าข้า เอาลามา อ, อีกเอ่อส่งความแกวแตกไปแล้วนะพระเจ้า ค, ค่ะอะแตก ก, แแ ก, ก็ไปแกหม่เอาลาอาแกมากเออพระองค์ทรงเมาน้าจํามากแล้วนะพระเจ้า ค, ค่ะอะเอามาหเดืมลาแล้วไม่เมามีที่ไหนถ้าเราดเเมาเมาด้วยความเจ็บใจเสียข้าปลาชายจงสิทธัตถ์ทุกตี กำไว้ให้ดีว่าคราวนี้ก็เสียท่าแต่วันน้าตามหลังตามกันเจ้าไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนข้าเทวัตถ์จะตามแอบแฉทุกที่ไปเจ้า น้องกำลังทําอะไรนะพิมพาหม่อมฉันกําลังการาบพระบาทของเสด็จพี่เพคะเสด็จแม่สอนว่าหญิงควรกราบบาทสวามีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนก่อนที่จะนิทราทุกคืนจะได้รับความชื่นใจและมีสิริแห่งสวามีคอยคุ้มครองผ่องภัยให้ถ้าทําแล้วสบายใจก็ทําเถิดน้องหญิงแต่เมื่อเราร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นคู่ครองกันก็เป็นหน้าที่ของพี่ ที่จะต้องให้ความรักและการดูแลน้องหญิงในฐานะที่น้องเป็นพระชายาตลอดไปพิมพาก็ขอประวารณาตัวเป็นข้ารับใช้รองบาทของเสด็จพี่ไม่มีใครเป็นข้าของใครพี่ถือในหลักการของความเสมอภาพเสมอมาแต่คำว่าสามีหมายถึงผู้ที่เป็นเจ้าของต้องเป็นใหญ่กว่าไม่ใช่หรือเพคะเสด็จพี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครแม้ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราหม่อมฉันฟังแล้วยังไม่เข้าใจเลยเพคะ พี่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีนักเหมือนกันแต่วันหนึ่งพี่จะหาคำตอบให้จงได้ดูเหมือนเสด็จพี่ยังทรงมีข้อสงสัยอยู่มากมายเลยนะพี่คะถูกแล้วหลักพิมพาพี่ยังมีปริศนาที่ไม่รู้ว่าคำตอบอยู่ที่ไหนและจะค้นคว้าสอหาได้จากที่ใด ได้ข่าวใหญ่แล้วใช่ไหมปะัะชาบาีเรื่องที่สิทธัตถะเข้าพิธีอาวาหะกับยะโสธราพิมพาใช่ไหมเพคะเสด็จพี่ถึงได้ทรงมีท่าทีตื่นเต้นยินดีขนาดนี้ <c oughs> ก็ใช่เนะ่ะสิสิทธัตถะมีคู่ครองที่มีสิริโฉมงดงามก็หญิงใดการออกบรรพชาจะได้ไมีอยู่ในความคิดของลูกไงคำพยากรทั้งหลายก็จะถูกเพียงแค่เมื่อสิทธัตถครองเรือนครองรอด จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่มีอำนาจยิ่งใหญ่น้องขอภาวนาให้เสด็จพี่ทรงสมปทานาเพคะอีกไม่กี่วันลูกเราคงจะพาชายาของเรากลับมาพี่จะจัดงานต้อนรับให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้สิทธาตื่นตาตื่นใจจนลืมเรื่องอื่นเลยล้ะอ๋อนึกได้แล้วเดี๋ยวต้องให้คนไปตามอำมาตย์อุทยัยตามท่านอามาตย์ ตามมาทำไมหรือเพค ะ, สะเสด็จพี่ก็มาเตรียมของขวัญต้อนรับสิท ธ, ธันาและลูกสะพายของเรานะสิของขวัญ ม, มันเป็นอะไรหรือเพค ะ, สะเสด็จพี่ พระนามาุธานีจงเป็นแม่กอก่อสร้างประสาทสามฤดูอันมีนามรมียาประสาทสำหรับเหมันต่อฤดูหรือฤดูหนาวสุรมียาประสาทสำหรับขิมหันต่อฤดูหรือฤดูร้อนและสุภาพปราสาทสําหรับประสรรต่อฤดูหรือฤดูไม้ไมา้ผลิเป็นที่พันธุักแก่เจ้าชายศิท ธ, ธาผู้เป็นลูกข่าและพระชยาของเขารับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะ เราจงเลือกข้าท่าบริวารชายหญิงที่อยู่ในใบหนุ่มสาวมาขอรับใช้อย่าปล่อยให้คนแก่คนเจ็บเข้ามาใกล้แม้แต่ใบไม้เหลือที่หล่นจากต้นตกลงมาก็ยคนกว่าทิ้งทันทีพระเจ้าค่ ะ, ะเดี๋ยวก่อนอุถายิีปีนี้ท่านเมีออยอายุเท่าไหร่ใกล้จะถึงสี่สิบในปีหน้าแล้วพระเจ้าค่ะมดห น, น้า ข้าถึงเห็นเส้นผมสีขาวแซมที่มวยผมข อ, ของท่านจงรีบกลับไปยอมหรือวีซอดไว้ในหมู่ผมดำของท่านว์และคอยหลบหน้าหลบตาอย่าให้ศิทธาตได้แลเห็นการเริ่มความชราของท่านมิฉันั้นข้าอาจจะต้องเลียนอรมาติคนใหม่เอเ อ, เอขพระพุทธเจ้าออกไปได้แล้วอุทายิจงทำทุกอย่างตามที่ข้าสัเดี๋ยวนี้ Rap the cloud, r a y the sun.